ก็พเจ้าจึงคิดพูดให้เวลามันหมดไปในการเดินทางไปบ้านขุดกว้างนั้นเสียจึงได้พูดกับพวกผู้ใหญ่บ้านในเรื่องเข้าไปดูหอปู่ตาเขานั้นเขาว่ามันติดไปจนเกิาวเวลาบ่ายห้าโมงก็พเจ้าจึงถามผู้ใหญ่บ้านว่าเฉพอตกลงแอบตมาเดินทางต่อไปบ้านขุดกว้างได้แล้วหรือยังโยมผู้ใหญ่บ้านพูดว่าไบ้านขุดกว้างไม่ถึงดอกวันนี้ มันคั่แล้วทั้งพวกผมพว ก, กลัวเจ้าปู่จะไปต้องสิงหมู่พวกผมมากอยู่แล้วที่ท่านอาจารย์เข้ามาดูนี้เพราะแต่ก่อนมาพวกผมไม่เคยมีพระธรรมเจ้ามาดูหอาตาปู่ของพวกผมเลยเพิ่งมาเห็นท่านอาจารย์เข้ามานี่แหละพวกผมจึงมีความกลัวมากพวกผมจึงขอไหว้วอนท่านอาจารย์ที่ช่วยเหลือแก้ไขความกลัวของพวกผมนี้ ไม่ให้มีภัยแก่อมูพวกผมนี้ด้วยก็พเจ้าจึงเห็นรู้แน่สมจริงยังว่าพวกผู้ใหญ่บ้านมีใจกลัวพีตะปู่ยังไม่มีที่เปรียบเลยก็พเจ้าจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจนผู้ใหญ่บ้านออกไปพูดเป็นริมดอนที่ใดมันกว้างขวา ง, วางนั่งกันได้ดีจะว่ากันไปอย่างไรก็จึงค่อยว่ากันไปจนหมดเรื่องกันหมดและกาพเจ้าก็เดินออกหน้าไป มองเห็นต้นเครือประคอามต้นใหญ่ต้นหนึ่งร่มดีจึงพาหมูและพวกโยงผู้ใหญ่บ้านไปพักใต้ร่มของนั้นพูดกันไปจนค่ำเลยพวกผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ตกลงหายกลัวข้าเพเจ้าจึงให้หมูจัดที่นอนกลางกรดกลางม้วกันเจ็ดแล้วพูดกันไปถึงสีทุ่มพวกผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ตกลงหายตัวเลยข้าเพเจ้าจึงบอกให้รับพระใจสณะคม ผู้ป่ว ย, ยบ้านก็บอกว่าผู้ผมจําได้อยู่พุทธังธรรมังสังขังที่ก็ยังมาเข้าผู้ผมได้อยู่ท่านอาจารย์ให้ผู้ผมรับพระไตรตรนกคมก็จะให้รับพุทธังธรรมังสังขังไม่ใช่หรือผู้ผมได้อยู่แล้วหากรับกับท่านอาจารย์ไปที่ก็จะเข้าผู้ผมได้อยู่คือเก่านั่นแหละข้าพเจ้าคิดหา ทำมาอธิบายให้พวกผู้ใหญ่บ้านได้ตกลงรับพ ร, ระไตรสนกคมว่าจนถึงเจ็ดทุ่มคือทีหนึ่งผู้ผู้ใหญ่บ้านจึงขอให้ข้าพเจ้ารับเอาสัญญาของเขาไว้ว่าถ้าผีตาปูไปเข้าพวกผมปลับนี้ก็ดีหรือเวลาต่อไปก็ดีขอท่านอาจารย์ไปช่วยพวกผมให้ทุกคราวไปพวกผมจึงจะรับข้าพเจ้าใี้ความดีใจรับรอง ผู้เพือเยี่ยบบ้านพร้อมหมู่จึงตกลงรับพระไตรธนคลมกินเวลาที่ข้พาพเจ้าสอนพระไตรธนคลมและสอนพุทธีปฏิบัติไตรชนคลมเกือบถึงแปดทุ่มพุทธีสองจึงเจ็ดกลางผู้เพืเยี่ยบบ้านจึงพากันกลับบ้านได้ตื่นเช้ามองดูอากาศฝนจะตกเมื่อข้พาพเจ้าออกจากมุงกรดมาก็มองเห็นโยมจานวนวลบ้านหนองขาม พร้อมด้วยหมูห้าคนมายืนอยู่เมื่อถามว่าพากันมาทำอะไรโยมจานนวนบอกข้าเพาเจ้าว่าพวกผมว่าจะพากันพัดฐานป่นท า, ปาทำวัดขึ้นในที่นี่แหละเพราะพวกผมพิจารณาดูท่านอาจารย์มาพูดกลาวนี้พวกผมเห็นว่าจะสร้างวัดขึ้นได้แน่พวกผมจึงนเตรยมกันมาเพื่อจะถานป่า ก, กันท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรกันข้าเพาเจ้าก็เลยตามใจ พอผู้โยมจานนวลจึงได้บอกเขาว่าถ้าโยมบ้านสกแสงเขาออกมาส่งจังหันเขามาเห็นเขาคัดค้านผูกโยมไม่ถางป่า ก, ก็ดีที่พวกโยมหยุดกันเสียพูกโยมรับคําแล้วก็ได้ผ่านกันถางป่ากันไปจนตะวันขึ้นพอไปดินธบาดก็จ้าประชาก็นำหมู่ไปบินธบากพอไปรอบบ้านแล้วกลับออกมาฝนก็เริ่มตก รี์เดินมาใหถึงที่และพวกโยมบ้านโศกแสงก็ได้พากันนาจังหันมาส่งจึงได้จัดอาหารลงในบาทเสร็จแล้วพวกโยมก็รีบกลับบ้านพากันบุกฝนกลับบ้านกันหมดไม่เหนึ่นพวกโยมบ้านโศกแสงพวาโยมบ้านหนองขามที่พากันถางป่านั้นแต่ประการใดเลยเมื่อฉันจังหันเสร็จฝนก็ค่อยอ่อนเบาลงแต่ไม่หยุดพวกโยมบ้านหนองขาม ได้โยมหมอหลำก้อนบ้านหนองโจดพร้อมได้หมู่ก็าพากันรับเสร็จอาหารที่พวกพระฉันเสร็จแล้วจึงให้พวกโยมไปเอาไม้มายกปรับมุงด้วยเครื่องบริหารเสร็จแล้วได้นำพวกโยมจัดยกร่างสารากุติขึ้นในร่างกุติห้าหลังสาราหนึ่งหลังกลัวไฟหนึ่งหลังฝนตกถึงห้าวันจึงหยุดจาวัดอยู่นั้นไปเกืนที่สาม ขอนเห็นพระมีฐานะของท่านว่าเป็นสังฆราชท่านเห็นข้าเพเจ้าไปไหว้ท่านมีความยินดีท่านออกบุตทานให้ผ่อนว่าให้อยู่เป็นสุขให้อยู่ไปด้วยความสะดวกตามความชอบใจวันหลังจึงถามโยมจานวนว่าตาปู่นี้เขาเรียกที่ชื่อว่าอย่างไรโยมจานวนบอกว่าเขาเรียกกันว่าพิยกรุโกตาปู่หลักเมืองในเมืองขอนแก่นนั้นเขาเรียก ตะปู่อยากครูโกโยมจันวนบอกว่าดังนี้ข้าเพาเจ้าจึงดีใจเพื่อจะได้เอาเป็นอุบายแก้พวกโยมบ้านศกแสง่งท่านึกว่าเราฝันนี้เห็นจะเป็นเรื่องตะปู่ก็อาจเป็นได้ดังนี้จึงนำพวกหมูและโยมจัดสานักไปห้าวันผลจึงหยุดไปถึงวันที่หกพวกโยมบ้านศกแตงจึงพากันออกมาดูมาว่าให้ข้าเพาเจ้าทาร่างกุติ และสลารงไปขึ้นได้เจ็ดหลังว่าท่านอาจารย์จะไม่ทําวัดขึ้นในที่นี้ทําไมจึงทํากุฏิสาราขึ้นไปหลายหลังอย่างนี้ก็ปรเจ้าจึงต่อบผู้โยมบ้านโศกแสงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้วนว่าผู้ออกผู้ใหญ่แท้จริงอาตมาก็ว่าจะไม่ทําวัดขึ้นในที่นี้อย่างอาตมาว่าได้พูดกับผู้ออกนั้นแท้จริงอาตมานอนหลับไป วันเห็นท่านหลวงปู่กโกมาพูดว่ามีความยินดีที่อตมามาพักกับท่านท่านได้ขอใหอ้ตมาช่วยจัดออกขึ้นถวายท่านอย่างหลังท่านว่าพอที่พวกโยมทำขึ้นให้ท่านมันเล็กไปนอนก็ไม่หมดขาหมดหัวเลยท่านว่าอย่างนั้นท่านจึงได้สั่งให้สมาจัดขึ้นให้ใหญ่เพราะทีท่ตมาได้จัดทาร่างนี้ไว้เป็นอย่างน้อยหากจะทาให้ใหญ่ได้เท่าไรยินดี ให้ทำได้ให้ได้สิเด็ดหลังเพราะหมูท่านมากท่านปู่พูดขออาตมาให้ทำถวายท่านดังนี้อาตมาจึงขอโยมบ้านตสกแสงได้พากันมาสร้างด้วยก็จะเป็นบุญไม่น้อยเลยทั้งท่านปู่ก็จะมีความเมตตาอำนวยความสุขทุกประการให้แก่พวกญาติโยมด้วยดังนี้พวกโยมผู้ใหญ่บ้านพากันรองคำตอบข้าเจ้า แล้วก็ได้ผากการถามเอาความจริงกับข้าเพาเจ้าว่าตาปู่มาเข้าขวันบอกท่านอาจารย์จริงหรือถ้าเป็นความจริงพวกผมก็จะสร้างหนึ่งหลังให้ได้หลักข้าเพาเจ้าบอกว่าขวัญจริงๆนั่นแหละพระองคพวกผู้ใหญ่บ้านโศกแสงก็เลยได้พากการตกลงสร้างกุติให้หลังหนึ่งเขายกเอารื้อไปขึ้นเขาเรื้อไว้แต่นานมายกสองวันก็เสร็จกันเลยข้าเพาเจ้าเอาของขึ้นไปนอน เขามื่เห็นเข้าเขาเลยต่อว่าถามว่าท่านอาจารย์ว่าจะให้พวกปุ่มสร้างให้ปู่เหตุไรท่า น, นจึงขึ้นหนอนแล้วจึงตอบโยมผู้ใหญ่บ้านเขาว่าอัตมาได้ขอโอกาสกับท่านปู่แล้วว่าขออย่าให้กล้านอนร่วมเถิดเพราะกล้าเกรงเป็การประมาทกลัวจะเป็นโทษท่านปู่ว่าไม่เป็นไรคุณลูกผู้มีใจรักปู่ได้ช่วยทากุฏิอันปู่ขัดข้อง และมีความต้องการที่สุดขึ้นให้ปู่ให้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งได้ไปบินท บ, บาสมาให้ปู่ได้ฉันไปทุกวันปู่ทิ้มหลังไม่ได้แล้วต้องให้นอนกับปู่ให้ได้ทีเดียวทว่ากับอาตมาเช่นนี้อาตมาก็จําเป็นที่ได้ขึ้นนอนบนกุติกับท่านปู่อย่างนี้ทุกญาตโยมผู้ใหญ่ได้ยินพากกันหัวเราะแล้วถามขา้าพเจริอีว่า ท่านปู่เมื่ออยู่กับท่านท่านอยู่อย่างไรเล่าก็พระเจ้าจึงตอบเขาไปว่าท่านปู่ท่านเลยอยู่ตามชอบใจของท่านท่านอยากนอนอยู่บนคือท่านก็นอนอยากนอนอยู่ตามสติท่านก็นอนท่านอยากนอนในมุ้งกรดอยู่กับสมาก็นอนเพราะท่านเป็นพระเหมือนกับบัตมาท่านอยากอยู่อยากนอนอย่างไรท่านก็อยู่นอนตามสบายของท่านพวกโยมผู้ใหญ่บ้านพากัหน่ำ แล้วก็หยุดกันไปครั้งต่อมามีพวกมิจฉาทิฏฐิอันิจจารสังเรียนธรรมแต่เป็นพระสอบนักธรรมเอกได้สอบปรีประยุกษ์สามตกเป็นหัวหน้าทิศพรทิศช่างทิศเรืองก็อีกสองคนเป็นหัวหน้าหมู่ของพวกบ้านศกแสงที่ไม่ลืมใส่พระ ก, กรรมฐานทั้งไม่รู้เรื่องกรรมฐานเลยตอนคข้ามืดวันนั้นเป็นวันที่เจ็ดที่ขา้าพเจ้าพักอยู่นั้น จานสังได้นํามูมาโจดไล่ทั้งป้องหาว่าสร้างวัดไม่ได้ขออนุญาตเพราะผิดการปกครองคณะสงฆ์เขาว่าสร้างวัดไม่มีทายกใดให้ถวายที่ดินก่อนจึงสร้างวัดลงท่านสามข้อนี้ว่าผิดหมดลงท้ายเขาว่าให้ขา้าพเจ้าหยุดการก่อสร้างต่อไปดังนี้ขา้าพเจ้าจึงอยากรู้ชื่อคนที่เข้ามาถามว่าชื่อเขาว่าอย่างไรหนอผู้ใหญ่บ้านจานเบ้าจึงบอกว่า จานสังเขาเรียนมแปดสอบนักธรรมเอกได้สอบปรินสามสอบตกเลยสึกออกมามีครอบครัวเสียพวกผมเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้จึงได้เชิญเขามาพูดธรรมะกับท่านอาจารย์เพื่อพวกผมได้ได้ฟังได้เข้าใจกันนี่แหละขอรับก็พระเจ้าจึงพูดด้วยความยินดีกับจายนสังว่าโยมจานสังอาตมา ข, ขอแสดงความยินดีกับโยมผู้มีอุตสาหะ ไเล่าเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งด้วยหนาแต่สมาขอถามโยมจารว่าสำหรับท่านผู้รู้ตั้งกฎปกครองสมทั้งหลายนั้นท่านตั้งขึ้นเพื่อรักษาพระศาสนาให้เจริญหรือท่านตั้งเพื่อทำลายพระศาสนาให้เสื่อมประการใดจารสรัง ต, ตอบว่าท่านก็ตั้งเพื่อรักษาศาสนาให้เจริญที่ใช่ท่านตั้งเพื่อทำลายพระศาสนา เพืพระเจ้าที่นิหลักพูดแก้จานสังตอไปว่าทุกวันนี้พระอุปชาสอนอนุศาสตร์กิที่ควรทำข้อหนึ่งว่ารูปขมูลเซลนาสนังนิสายะปักพัชชาสสเตยาวชีวังอุสาหโหกระนิโย ค, คำนี้จานสังบวชมาจนสอบนักคำเอกได้ได้ทำตามอุปชาสอนนั้นมาแล้วหรือยังหรือท่านองค์อื่นนอกจากโยมการ ที่ได้บวชกันมาแล้วสึกไฟก็ดีหรือเป็นพระทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้ก็ดีได้ออกปฏิบัติรูปภมิูตามอุปชาสอนหรือไม่ไม่ใช่มีแต่บวดรับอามะพันเตหลอกพระอุปชากันทั้งนั้นอย่างตัวจานนี้บวชมาก็บวดรับอามะพันเตหลอกพระอุปชาว่าไอคนหนึ่งไม่ใช่หรือคนมาทั้งหลายกับจานสางมีผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นก็พากันโหเราะกันขึ้น ข้าพ เ, เจ้าจึงพูดต่อว่านี่แหล่กโยมจารย์สังพระมหาเถระทั้งหลายท่านตั้งกฎข้อกฎหมายบังคับทุกข้อทั้งหลายมานั้นท่านบังคับผู้ปฏิทุกร้ายพระพุทธศาสนาให้กลับมาประพฤติปฏิบัติพระศ า, ศาสนาดอกรูกอย่างโยมจารย์สัว่าท่านตั้งข้อกฎรักษาศาสนานั้นนี่ก็สมมาเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาสามูมประชาสอนตั้งแต่วันบวชมา ว่ารูปขมูลเสนาสนันให้อนุญาตแก่อาตมาบวชมานั้นเมื่อตอมาปฏิบัติตามคําสอนนั้นมันจะมีผิดอะไรกันอีกเล่าเมื่อตอมาได้มาปฏิบัติตามคำบุชาสอนแล้วว่าเป็นผิดอย่างรวมจารว่าอาตมาผิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คําสอนรูปประชาสอนโกหกสอนหาเรื่องได้ลูกศิษย์ของตนก็แยกกันเท่านั้นเองแหละแท้จริงท่านไม่สอนหาเรื่องนะักท่านสอนจริงๆเพราะ พระพุทธเจ้าทรานจตัดสรุปก็ได้ตัดสรู้ในรูปขมูลล่อมเงาของต้นโพธิ์แขกใครก็รู้กันดีอยู่แล้วท่านบวชพระสาวกหลายก็บวชที่อยู่ในปา่าโยมจานสามคงรู้ดีอยู่แล้วเหตุนั้นผูดอาตมา ก, ก็ได้นํามาพาพวกญาติโยมทำที่พักรูปขมูลขึ้นในที่ดอนตาปูนี้ก็ไม่ผิดอาตมายังไม่ได้ยินว่าพวกท่านพักพระองค์ใด ตั้งกฎก็ห้ามพระทั้งหลายว่าไม่ให้ออ ก, กขุโดวงรวบข้อมูลกันที่ใดนี้เลยหรือออกขุดดวงแล้วก็วจะตั้งที่พักอยู่จำพรรษาถูกต้องตามพระวินัยอนุญาตแล้วว่าให้มีตู่หรือกระช่อมูลของภาบนี่ฝาแอ้มแล้วมีประตูควรปิดได้จึงให้พระอยู่จำพรรษาได้ไม่เห็นว่าต้องขออนุญาตก่อนแล้วจึงทําที่พักได้อย่างนี้ อาตมายังไม่เคยได้ยินหนังสือประกาศสักทีเลยโยมจานสังเคยได้ยินมาไหมเล่าจานสังก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินมาขอรับข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นคำที่โยมจานว่าอาตมาได้นําพาพวกญาติโยมจัด ท, ทําพิพักขึ้นในที่นี้ว่ามันผิดก็โยมจานได้บวชอยู่ยังไม่เคยออกคุดดงรูปขมูล ไม่อรู้เรื่องก็เลยเอาความไม่รู้เรื่องนั้นมาโทษอาตมาว่าผิดไปด้วยกับความรู้ของตนงนั้นอาตมาว่าใช้ไม่ได้แล้วอย่างนี้จานสามได้หมดเสียงไปเรื่องสร้างทีพักไม่ได้ขออนุญาตแต่การสางแกพูดไปเรื่องตัดไม้มาทํากระท่อมว่าผิดกฎหมายป่าไม้อีกคือปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้ยเจ็สิบเอ็ดนั้นไม้ที่มีภาษีนั้น มีไม้สาระเพียงสิบหกต้นเท่านั้นข้าพเจ้าพูดแก้เรื่องนี้กับแก่ว่าเรื่องจานสางพูดไปเรื่องตัดไม้ผิดนี้เป็นเรื่องของญาติโยมไม่ใช่เรื่องของอาตมาอาตมาไม่ได้ตัดไม้สักต้นเลยเพราะพระวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ให้อาตมาตัดต้นไม้อาตมาเพียงแต่ผู้รับอยู่เสนาจนาะที่พวกโยมจัดขึ้นเท่านั้น จารย์สังก็หมดเรื่องอีกเรื่องทำลายผีตะปูพระพุทเจ้าให้จารย์สังผูกบาลีผีดูว่าคําว่าผีผีนั้นคําบาลีของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรจารย์สังยิ่ได้พากันถือว่าผีเป็นของจริงและถือว่าเป็นของสัตด์สิทธิ์หือว่าเป็นของพึ่งเจ็บพึ่งไข้ได้เป็นการแน่นอนใจอันแท้จริงจารย์สังแก่ว่า บาลีก็ว่ามหาพูดมีอยู่อย่างนี้แหละข้าพเจ้าจึงพูดต่อไปว่ามหาพูดนี้ก็หมายถึงมหาพูตรูปคือธาตุทั้งตีดินน้ำไฟลมได้ แ, แก่ตัวของคนเรานี้มันเป็นรูปอันใหญ่ช้างตัวใหญ่ๆก็ เ, เกิดขึ้นกี่คอมาได้ภูเขาอันใหญ่และแผ่นดินอันใหญ่ๆก็ ข, ขุดทุกตีมันได้ ไม่มีแผ่นดินภูเขาที่ไหนมาดาว่าต่อว่าให้ควรได้ทั้งดินน้ําไฟลมเป็นตัวของบุคคลนี้มันเป็นมหาภูตรูปมันเห็นธาตุอันใหญ่เอาอะไรใส่ให้มีเต็มข้าวเต็มเหล่าเต็มสมังคือเต็มยุ้งเต็มฉางใส่มันก็ไม่เต็มในท้องคนสัตว์ทั้งหลายมีวัวควายปูปลามูเปืดไก่เหล่านี้เป็นต้นผลไม้ยอดไม้เป็นต้น สารพัดคนเข้ามาใส่ท้องคนก็ไม่มีเต็มสักทีจึงว่ามหาพูดทา่าทั้งสีน่นี้มันเป็นผีใหญ่ที่กินปูกินปลากินหมูกินไก่สารพัดสัตว์และผลไม้ยอดไม้ก็มีใช่คนเหล่านี้หรือเป็นผีใหญ่โยมชานสังตอบว่าถ้าจะว่ามาแต่ต้นเหมือนท่านอาจารย์ว่ามหาพุตรูปมหาพูดทา่าอย่างนั้นมามันก็ถูกแล้วก็รับ ก็พระเจ้าจึงอธิบายต่อไปว่าถ้าผีได้แก่ตัวแล้วเช่นนั้นพระองค์จึงวางศีลธรรมเป็นศาสนาให้พวกเราเรียนรู้เพื่อได้ปฏิบัติศีลธรรมกันชำระผีของตนของตนให้จืดจางไปจากตัวของพวกเรากลับตัวกลายเป็นมนุษยธรรมเป็นมนุษย์รร เ, นนษยเทโวจนถึงเป็นมนุษย์พรหมมาเป็นมนุษย์อริโย ดังนัตมาได้ผ่านนำพวกญาติโยมจะสำนักขึ้นเพื่อเป็นการนำพาพวกญาติโยมปฏิบัติจิลธรรมชำระผีของตนของตนให้กลับเป็นมนุษย์เกโวขึ้นเป็นต้นจะไม่ดีกว่าพวกญาติโยมกลัวตายพา ก, กันปลูกตูคือกระต๊อกเล็กๆ เ, เอาแกลบเข้ารีดมันเป็นรูปช้างรูปวัวต่างๆมาไว้แล้วพากันมาไหว้ วอนขอความเป็นอยู่ให้อยู่เย็นเป็นสุขใ้อยู่หรือโยมจารย์สั่งเรียนนัธรรมมาตามพระองค์ซอนที่จารย์ต่างรู้มาไหว้ถีอย่างนี้หรือพระองค์ว่าดีประการใดดังนี้ดังเคมาสรณสูตรพระองค์แสดงไว้ว่ามนุษสาพยตัสติตาแปลว่าพวกมนุษย์หลมกลัวความตายพากัรหาที่พึ่งต่ตางๆที่พากันว่า้ภูเขา หักดอกไม้บูชามัดไม้ประรูปต่างๆบูชาไหว้วอนขอความอยู่เย็นเป็นสุขต่างๆบางพวกก็ปลูกปลูดเล็กๆไว้บนจอมปลวกรูปไม้ใหญ่ปลูกไว้ข้างท่าเจดีย์ริมสักหัวบ้านหรือเรือนต่างๆมัดไม้ประรูปช้งางรูปม้ารูปปัวรูปควายเอากแกลบขรีบเอาที่เท่าใส่แล้วก็มีข่าเป็ดข่าไก่ข่าหมู เช่อถึงข่าวัวค่าควายเส้นส้วงบูชาเอาดอกไม้บูชาขอความอยู่เย็นเปนสุขขอาการเพาะปลูกพืชทั้งหลายให้งอกงามเป็นหมากเป็นผลให้ร่ํารวยต่างกันไปของมันไม่มีอยู่เดิมอาศัยคนประยกตูกยกหอขึ้นสมมุติให้เป็นให้มีขึ้นเมื่อเลยมีขึ้นจริงดังความสมมตินั้นให้เป็นศูนย์สันเ็นเมื่อมันมีขึ้นมันก็เลยกลับ ต้งสิงสู่คนพวกไปสมุติขึ้นนั้นให้สูญสั่นเซนให้เป็นทุกข์จะตายขึ้นบ้างจากนี้ก็ให้เป็นเจ็บเป็นไข้เจ็บพ้องชักจะตายลงทันที ต, ต่างๆนานาไปก็มีความมุ่งหวังของผู้ไปสมุติขึ้นนั้นไม่มีความสุขความสํารานเลยตรงกันข้ามยิ่งกลับมาให้เป็นทุกข์เป็นไข้เป็นทุกข์ด้วอผีที่สมุติขึ้นนั้นก็ามาสิงสู่ใจไม่หยุดหย่อน ด้วยขาเลี้ยงไม่ถูกบ้างด้วยการปฏิบัติอยู่กินทำการไปมาไม่ถูกบ้างมีคนใครไปทำลายดงรอนที่่ากันไปสมุดขึ้นอยู่นั้นบ้างทีนั้นจึงเข้ามาสิงสู่ให้เป็นเจ็บเป็นไข้ให้เป็นทุกข์เพิ่มความทุกข์ความเจ็บความไข้ด้วยรูปร่างกายของคนเราเป็นของไม่เพียงเป็นตัวทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินี้ให้มากขึ้นมันจะดีอะไรกัน พระองค์ก็ติเตียนบอกไว้แล้วว่าผู้คิดตัวกลัวตายมีการนับถือไหว้วอนไปต่างๆอย่างนั้นในตังโขสารนังเถมังไม่ใช่สรณะอันกเกษมมิใช่สาระอันอุดมให้พ้นทุก์ได้เลยมีแต่พวกได้นับถือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามรัตนนี้แหละเป็นตัวค้นทุกเพราะได้สาระอันกเกสมอนอุดมค้นทุกไ น, นจริง นี่ก็เรื่องตะปูของพวกโยมบ้านโสกแสงนีง้ก็ชื่อว่าตะปูยาครูโกยาครูยาครูคํานี้ก็เป็นชื่อของพระพุกโยมก็ผ่านการสมุติเอาพระให้เป็นผีเป็นตัวประมาทพระก็เป็นโทษแก่ผู้สมุติอาตมาว่าหากท่านหลวงปู่ยาครูโกท่านยังมีชีวิตเป็นพระอยู่ใครๆเลยเรียกท่านเป็นผีท่านก็จะโกรธเอาเสียใหญ่ละ่ะ เหตุนั้นอาตมารู้อย่างนั้นจึงได้นำพาผู้โยมผู้เลื่อมใสในการผากถางหญ้าและป่าไม้เล็กออกให้เตียนยกหอคือกุฏิหรือตูกสาาทั้งหลายขึ้นเพื่อเป็นการอาวายบูชาคุณของทั้นปู่ยาครูโกอาตมาว่าเป็นการดีที่สุดแล้วไม่ใช่หรือจานสาทั้งอาตมา ก, ก็ได้ไปบินทบามาบูชาความดีท่าน ให้ท่านได้ฉันทุกวันอีกด้วยจะไม่ดีกว่าหรือแต่ก่อนหกวันจึงได้ฉันข้าวทีหนึ่งก็ผากันได้ว่าปฏิบัติดีพอแล้วเจ็ดวันจึงให้ท่านปูฉันข้าวทีหนึ่งถ้าเป็นพวกเราเจ็วันจึงได้กินข้าวคนทีหนึ่งจะไม่ตายกันแล้วหรือหรือว่าอย่างไรโยมจานสังหมดเสียงเลยแกพูดออกปากยอมรับกระหมูกแกว่า อย่างไรหมู่กันหมดความขัดข้องและหายสงสัยแล้วมาได้ฟังท่านอาจารย์อธิบายมานี้มันถูกศรลธรรมดังการได้เรียนมาทุกอย่างแล้วกันไม่มีความจะพูดกับท่านต่อไปอีกแล้วดังนี้นวนพู้หมู่จานสางังมีทิศพรและทิดช่วงเป็นต้นพูดกันสุกสิ์สุกซิบอยู่หน่อยหนึ่งจานสังจึงพูดกับข้าพเจ้าอีกว่า ผู้ของผมยังกัดข้องไม่ตกลงใจยอมเห็นตามท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังมาแล้วนี้แต่วันนี้บึกแล้วหมดเวลาผู้ผมขอหลากลับบ้าน